ข้อที่6ปฏิทานใหม่ทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญหมายความว่าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในบุญหรือในการทำบุญด้วยเวลาเราทำความดีอะไรสักอย่างก็ไม่หวงแหนไว้เราเปิดโอกาสให้คนได้มีส่วนร่วมบุญด้วยการทำความดีด้วยกันทั้งผู้มาร่วมและผู้ให้โอกาสก็ได้บุญเพิ่มทั้งสองฝ่าย คนที่ให้เขาร่วมตัวเองบุญก็ไม่ได้ลดลงเดี๋ยวจะ น, นึกว่าคนอื่นมาแย่งบุญเปล่ากลับยิ่งได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่ทำบุญด้วยตนกับคนที่ทำบุญด้วยตนแล้วยังชวนคนอื่นมาทำด้วยนั้นคนหลังได้บุญมากกว่าเมื่อให้ส่วนร่วมแก่ผู้อื่นมาทำความดีด้วยกันบุญกุศลก็ยิ่งเพิ่มมาก